บันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปนโนแดงเมื่อวันที่8กันยายน2566ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผูน้นำของบรรดาศัพว์ เริ่มเป็นศาสนาของโลกมาตั้งแต่ขณะที่กะเด็ดออกทรงพนวกมีความไม่เกาะเกี่ยวกับบริษัทบริวารเป็นลำดับมา และขณะที่ทรงประกอบความเพียรเพื่อความเป็นศาสดาก็ไม่ปรากฏว่ามีความเกาะเกี่ยวขังบนกับใข่ไก่มีเป็นปฏิปทาที่ชอบยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ทรงดำเนินมาในเบื้องต้นแม้ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่เคยสายแก่การกระทาของพระออค์ว่าการเสด็จมาอย่างนั้นและการประกอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็น การประกอบและเป็นสถานที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่เคยมและยังส่งเสริมสถานที่เก่นนั้นมาเป็นลำหนับ ก, การสั่งสอนสามก็สั่งสอนเพื่อความไม่เกาะเกี่ยวกลางบน กับเรื่องใดๆมีธรรมเท่านั้นเป็นที่มุ่ของพระองค์เพื่อจะให้สาวกทั้งหลายได้ดำเนินตนด้วยความสะดวกจึงแสดงที่สงับมิเวทให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สะดับผู้มีความสนใจอย่างเต็มที่ ซึ่งออกมาจากตระกูลต่างๆพอได้ฉาดทาอันเต็มไปด้วยหลักเหตุผลจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตใจก็เต็มตื่นไปด้วยความดนดีเติดจัรัทธาความเชื่อความเ่วมใสความอุตส่าหพยายามฝังลงที่จิตใจทันทีเพราะฉะนั้น ประโยคแห่งความเพลียนของสาวกตามที่เราได้ทราบในตำาราจึงไม่มีการท้อถอยพอได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงคำสอนแล้วอย่างไรเท่านั้นสาวกทั้งหลายได้รับด้วยความยินดีและปฏิบัติตามทุกทิศีฐานที่จะเป็นไปเพื่อ ธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้การอยู่ก็สบายการไปการมาก็สบายการขบการฉันทุกอย่างช้าวกเป็นความสะดวกสบายเพราะความมุ่งมั่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นเหตุให้ออกมาจากตระกูลของตนแม้จะเป็นตระกูลใดก็าตามเป็นหลักอันสาคัญ ที่จะให้สาวกทั้งหลายได้มุ่งหน้าต่อความเปลี่ยนเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวราตัดธรรมรับไม่ชอบแล้วแก่สาวกองนัมนั้นการประกอบความเพียรก็เป็นไปเพื่ อ, อเพื่อทําจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นการง่ายสาหรับผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้ว และสถานที่พระพุทธเจ้าประทับก็ดีคือสามกทั้งหลายอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อสรุปความลงแล้วคือสถานที่สงัดปราบจากสิ่งมบกวนนันเองเช่นเดียวกับสถานที่บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายสแสวงหาและ อยู่ทุกวันหนึ่งคือร่มไม้ชายเขาในป่าในโลกซึ่งเป็นที่ไม่รบกวนยุ่นวายจากสิ่งทั้งหลายมีจิตใจมุ่งต่อหลักธรรมว่าทำอย่างใดจึงจะเป็นไป ว่อความพ้นทุกโดยท่ายเดียวเท่านั้นมีทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดําเนินมาและสาวกดําเนินมาท่านดําเนินมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นศาสนาของเราไม่เพียงจะเป็นศาสตราเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีวิธีการทุกอย่าง ที่พระองค์ทรงวางร่องรอยไว้และสาวกทั้งหลายได้ดําเนินมาล้นแล้วตั้งแต่เป็นครูอของพวกเราจรึงควรเรียกได้ว่าเป็นศาสนาได้ทุกระยะที่พระพุทธเจ้าทรงประกอบและสาวกทั้งหลายดําเนินธุระหน้าที่ทุกอย่าง ที่เราจะพึงกระทำโปรดได้คำหนึ่งถึงครูเสมอย่าให้เคลื่อนลาดจากหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมายตามธรรมดาจะต้องส่อสแสงหาเรื่อง โดยมากก็เป็นเรื่องที่ตนได้เคยชินมาแล้วคือการสั่งสทุกให้เกิดความเดือดร้อนแสียตนเองนี่เป็นกิจประจำวันของจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเหวทจะต้องเป็นเช่นนี้การประความเพียรทุกๆประโยคเ์จึงเป็นการ พยายามแก้ไขชินที่มีอยู่และรบกวนกจิตใจของเราอยู่ทุกขณะให้ค่อยจีดจางหรือหายไปเป็นลำดับและพยายามกีดกันกจิตใจซึ่งเคยเดินในทางนั้นมาแล้วจนเคยตัวยาให้เพนผ่านออกไปตามทางสายที่ตน เคยออกเคยเข้าเสมอและเคยสังสมเรื่องของทุกขึ้นมาที่หนจั่การประกอบความเพียรจะยากก็ตามง่ายก็ตามอย่าถือเป็นความลำบากลำคาญยิ่งกว่าเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดการเกิดตายของทุกรูป ท, ทุกนาม ไม่ว่าสัดบุคคลหญิงชายไม่มีใครจะด้อยกว่าใครรวมแล้วเรียกว่านับไม่ได้โดยกันจึงไม่สามารถจะเอาเรื่องพบเรื่องชาติของท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ได้เกิดตายมากกว่า เพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ในไตรโลกธาตุนี้เพราะความเกิดตายเกิดตายซ้ำๆ้ักซั ก, ซ ก, ซกไม่มีเวลาดยกดยังหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้จนไม่สามารถจะทราบว่าเงื่อนต้นของภพและเงื่อนปลายของภพนี้อยู่ที่ไหน ทั้งๆ ท, ที่เรื่องพบเรื่องชาติก็คือตัวของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายลรายนี่จึงเป็นเรื่องกล่องทุกข์อันสำคัญและเป็นสิ่งกังวลเป็นเรื่องลำคาญมากยิ่งกว่าเรื่องใดในโลกดังนั้นการประกอบความเพียรเพื่อจะแก้ไขเรื่องใหญ่โตนี้ยาถือว่าเป็นเรื่อง หนักหรือเป็นพาละซึ่งจะให้เกิดความอิจนาละอาใจต่อความเพียงของตนเรื่องหลงร่องรอยของตนที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นา ม, มาอาวิชชาคือความหลงเรื่องของตนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอืน่นใด เรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องจะบกพร่องในศัตว์แต่สังขารเป็นเรื่องที่มีอยู่ประจำแผ่นดินคือมีอยู่ประจำสัตว์แตสังขารทุกรูปทุกนามบัรยาบรรณบรดาที่มียินญานกรอกเป็นประู่เช่นนี้ทั้งท่านและเราดังนั้นเรื่องพบเรื่องชาติของแต่ละรูปด้านามนี้จึงไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้ว่า มีจำนวนเท่าไรเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติโรสได้ทราบว่าคือเรื่องหากพองทุกข์ขึ้นมานั่นเองเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เรื่องเริ่มเกิดถึงวันตายจะไม่มีบกพร่องในเรื่องของทุกข์ติดกันเป็นพืชไปหมดถ้าเป็นตัวหนังสือก็อ่านจนถึงไม่ได้ความเพราะมันยําแล้วยําแล้ว ทุกย้ำทุกทุกซ้อนทุกซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนหาที่แก้ไขไม่ได้อ่านไม่ได้ความแม้ตนเองซึ่งเป็นผู้ที่วางร่องรอยทุกไว้ในตนก็ไม่สามารถจะอ่านได้ความว่าเคยทุกข์ดีมากน้อยแต่รับภพราชาจะต้องมีทุกซ้อนซ้อนอยู่เช่นนี้ทุกพกไปทีนี้พบซ้อนพบ ชาติซ้อนชาติวัตะซ้อนวัตตะก็ซ้อนมากน้อยมาเท่าไหร่ไม่สามารถจะทราบได้แม้แต่รายเดียวสำหรับบรรดาเราทั้งหลายแล้วเราจะสงสัยเรื่องเกิดตายนี้ว่าเป็นอะไรต่อไปอีกจึงควรจะนอนใจในความเพียรเพื่อจะแก้เรื่องของตนอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในไตรโลกธาตุนี้ ความหลงร่องลอยของตนจึงเป็นเหตุให้ทําตัวหมุนไปอยู่เสมอไม่มีเวลาจบขึ้นการตำหนิติโทษในสภาพทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากตนนั้นจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ตำหนิติโทษคนนั้นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราเป็น ตัวเกิดตัวตายเป็นผู้ก่อความทุกข์ความลาบากทับผมตนเองจนไม่ทราบว่าร่องรอยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของตนว่าเคยเกิดเคยตายมาสี่ครั้งเพราะเหยียบย่ำแล้วเหยียบ ย, ำย่ำเหล่าจนไม่ทราบร่องรอยของตนว่าเป็นรอยไหนแน่มีหน้าซ้ายังเป็น ความสงสัยเคลือบแคลนใจและเชื่อแน่ลงไปก็มีว่าตายแล้วไม่ได้เกิดคือตายแล้วศูนย์ดังนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหลงร่องลอยของตนนั่นเองถ้าจะพอทราบได้บ้างเช่นเรามาจากบ้านของหลับเราจะอยู่จังหวัด มนทนตาบนอะไรก็าตามแม้เราจะไม่ทราบหรือนับร่องรอยของเราที่เหยียบย่ามาจากที่โน้นจนถึงที่นี่ได้ก็าตามแต่เราก็พอทราบร่องรอยแห่งการมาของเราว่าจากบ้านมาแล้วมาสู่ที่นั่นจากที่นั่นมาถึงที่นั่นจากที่นั่นแล้วมาถึงที่นี่บัดนี้เราอยู่ที่นี่ เป็นเวลานา น, านเท่าไหร่ก็พอทราบได้แล้วเมื่อเราพิจารณาย้อนกลับคืนถึงบ้านเดิมของเราเราก็พอทราบได้ว่าเราจะมาจากบ้านเรามาสู่สถานที่นี้าเราจำร่องรอยแห่งความไปความมาของภพของชาติของเรื่องความทุกข์ความลำบาก ความสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนๆความมีความจนของเราได้เช่นเดียวกับเราจำได้ในเรื่องการมาจากบ้านของเราถึงสถานที่นี้แล้วผู้นั้นก็พอจะมีทางแก้ไขตัวเองแล้วจะได้มีแก่ใจพยายามตัดทอนวัตตะที่หมุนอยู่ภายในตัวเองนั้น ให้ลดน้อยถอยลงไปได้แต่นี้เพราะจำร่องรอยไม่ได้เลยจึงหมดหนทางที่จะแก้ไขตนเอง <c oughs> นี่ท่านเรียกว่าอาวิคชาเราเป็นผู้มาจากบ้านเรามาถึงที่นี้เราก็ไม่ทราบว่าเรามาจากที่ไหนเมื่อจากที่นี้ไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า เราจะไปที่นอีกเพราะที่เรามาแล้วยกยกเราก็ยังไม่รู้แล้วจะไปข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรเรื่องของพบของชาติแต่ละสัตว์และบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องมีร่องรอยมีทางเดินมาเช่นนี้มีทางไปเช่นนี้เพราะอํานาจแห่งความกดดัน หรือความขลักดันทางภายในมีอยู่ตราบใดเรื่องของพบของชาติเรื่องความเกิดความตายความสุขความทุกข์ซึ่งจะผสมปนเปไปกันนี้จะต้องมีอยู่ทุกสัตว์และบุคคลโดยที่ใครๆจะปฏิเสธไปไม่ได้แม้จะปฏิเสธทั้งวันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นความจริงอยู่ในสัตว์และบุคคลนั้นๆทั้งวันเช่นเดียวกัน การปฏิเสธเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเลยนี่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้ตามหลักความจริซึ่งมีอยู่ในเราและสัพทสังขารทุกๆประเภทบรรดาที่มียืนญันครอบต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันเองการไปการมาไม่มีร่องรอยจะมาได้ที่ไหนไม่มีเหตุปัจจัยจ้ำหมุนตัวไปได้อย่างไร เรื่องการเกิดการตายก็ต้องมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดไม่มีเหตุผลจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้เช่นเรื่องตายต้องสำเร็จผลมาจากตัวเกิดเกิดต้องสำเร็จผลมาจากความผลักดันภายในที่ท่านให้ชื่อว่าอาวิชชาตัญหานั่นเองแล้วอวิชชาตัญหาที่ได้เราได้เคยอ่านเคยได้เห็นในคำขีด ตัวจริงที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนในคมภี์ที่ท่านจารึกไปนั้นเป็นชื่อของอวิชชาเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสตัณหาอวิชชาที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเราผู้นั่งอยู่น้ำบัดนี้นทุกๆอย่างไม่ใช่ผู้อื่นเลยคำอวิชชาที่ไม่ทราบเรื่องของตอนเอง ทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ตนเป็นผู้ทําอยู่ทุกขณะทุกเวลาและทุกภพทุกชาตินี่ท่านเรียกว่าอาวิชชาและความหมุนดูภายในซึ่งเป็นไปอยู่ในจิตใจของผู้มีอวิชชานก็ต้องหมุนออกมาจากความผลักตันอันนี้เองกลายเป็นตันหาไปเรื่อยๆทันว่ากามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่เป็นกิ่งการสาขาของ ลากแก้วที่สําคัญได้แก่อวิชานีเป็นผู้วางร่องรอยของวัตถะไว้เพื่ อ, อวิชาดวงนี้เท่านั้นเมื่ออวิชามีอยู่ระดับใดใครจะปฏิเสธความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นย่อมไม่หรือไม่ใช่ฐานะที่บุคคล น, นั้นจะทําได้ปฏิเสธได้ ตามอำนาจของตอองนการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนหรือรือร่องรอยของตนที่เที่ยวเหยียบย่ำไบทุกแห่งทุกหนทุกพบทุกฉากตนมาถึงบัดนี้ไม่เป็นของลำบากสำหรับผู้ที่มีความมุ่งจะพ้นจากบ่วงแห่งมัตตทุกอันนี้ บ่วงแห่งมัตทุกนี้เราอย่ามองไปให้มากมายและไกลนักหนาการปฏิบัติธรรมอย่ามองโลกกว้ า, วางเกินไปและแคบเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปดีเกินไปชั่วเกินไปงโง่เกินไปฉลาดเกินไปนอกจากจะมองตัวโลกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์นี้กว้ า, วางก็กว้างดูกับพุ่น กว้างจนไม่สามารถจะนับอ่านในความเป็นมาของตนเล็กจนไม่สามารถจะรู้เรื่องของตนเองสูงจนไม่สามารถที่จะเอื้อมมือปลดเปลื้องได้ในความเป็นมาแห่งกิเลสตัณหาของตนแคบหรือละเอียดจนมองไม่เห็นที่เงื่อนไขที่เราจะแก้จะไขโดยวิธีใดนี่มันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดบรรดาไตรโลกธาตุยาเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใด อันเป็นสิ่งที่จะกดขี่บังคับจิตใจของเราและเป็นสิ่งที่เราจะรื้อถอนออกจากจิตใจของเรามันมีอยู่ที่ดวงใจอวิชานี้ดวงเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดพินิษฐพิจารณาให้ชัดเจนแล้วพิจารณาแก้ไขกันลงที่นี้เราจะได้เห็นร่องรอยของเราที่เคยเหยียบย่ํามาที่ไหนมั่ง เช่นเดียวกับเรามาจากสถานที่ต่างๆพอมาถึงที่จุดหมายแล้วเรากําหนดหรือมองไปตามร่องรอยที่เรามาเราก็พอทราบได้ครับมาที่นั่นมีความเดือดร้อนลําบากลําเข็มมาที่นั่นมีความร่มเย็นเป็นจุกตลอดทีวีที่อาศัยอาหารปัจจัยเป็นความสะดวกกายฉาบแต่ จนมาถึงที่นี่การชำระแก้ไขสิ่งที่มืดมนต่อตอนเองได้แก่อวิชานให้หมดไปโดยลาดับเราก็มีช่องทางที่จะเห็นร่องรอยของเราที่เย็บยําอยู่ในมตรตคของศารซ้ํารอยกันอยู่ตลอดเวลานี้ได้โดยลาดับและเราจะเห็นร่องรอย ที่เหยียบนั้นว่าเป็นไปจากไหนใครเป็นตัวร่องรอยที่แท้จริงที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้นในสถานที่ต่างๆในพบในชาติต่างๆนั้นจะตามกระแส ร, ร่องรอยนั้นเข้ามาสู่ธรรมชาติคือผู้นี้ผู้เดียวการพิจารณาทำทั้งหลายซึ่งได้เคยอธิบายมาแล้ว ไม่ใช่พิจรารณาเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในสิงดัตและเพื่อจะเอาความรู้ความฉลาดจากสิใดทั้งนั้นแต่เป็นเครื่องที่จะขัดเปลาจิตใจของเราและการพิจรารณานั้นเพื่อจะให้รู้เหตุรู้ผลในสภาพต่างๆซึ่งจิตใจของเราเคยเกาะเกี่ยวเพราะความหลงตนเองอันเป็นหมว เกิดสั้คัญให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายแล้วจะได้ย้อนความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่จุดอันใหญ่นี้เป็นลำหนับลำหนับเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจิตภายในการพิจารณาภายในก็เพื่อจะแก้จิตโดยกลุเพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้หลงทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอดีตอนาคตทั้งดีทั้งทั่วธรรมชาตินี้จะไม่ มีความพอดีในเรื่องอุปทานาถือได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งรักทั้งฉังมีความพอใจกจะเิตพันธ์ในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นชั่วหรือคนนั้นไม่ชอบใจจําหมดความกังวลในคนนั้นหาไม่ได้ยิ่งคนไหนทาให้ให้เรามีความ เก็บปวดแสบร้อนภายในใจอุปทานยิ่งไปถือมั่นในคนนั้นมากและคนใดที่มีความรักใคร่ต่อเราเราก็ยิ่งมีความรักใคร่ต่อคนนั้นและก็เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายวัตถุจริงใดที่เราเข้าใจว่าเป็นของดีอุปทานยึดมั่นถือมั่นต้องมีในวัตถุนั้นทันทีนี่มันเป็นเรื่องของใจดงรียวซึ่งเป็นเจ้ากโกหกมายา ดูภายในใจของตนเองโดยมารู้สึกมากี่กับกี่กันจึงพาให้เย็นว่าตาเกิดในมัตตาสงสารไม่แล้วไม่เล่าเยียบย่ําร่องรอยของตนเองเยียบย่ําตนเองอยู่โดยละเอียดซึ่งตนข้งตนก็ยังไม่ทราบนี่จึงให้นามาวิชาอย่างสนิททีเดียวฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงได้พิจารณาโทษของตนที่เป็นมา ตำหนิโทษของใครก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถจะทำพิเรธให้หมดไปจากมโวใจดวงนี้รักใครก็ตามชังใครก็ตามจะตำหนิติชมผู้ใดใครก็ตามจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึนนอกจากจะรักตนเองและตำหนิติชมตนเองแก้ไขตนเองผู้เป็นผู้ผิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึนในทางที่ดีนอกจากจะเป็นเรื่องสั่งสมิเรต ขึ้นทุกระยะที่ความเพื่อนไหวของใจได้แสดงตัวออกไปการพิจารณาสิ่งใดทำริงใ ด, จ ง, ใดจงทำด้วยความจงใจอย่าให้มีความเถอเลในกิจการนั้นๆให้ถือว่ากิจนั้นคือที่ตั้งแห่งความเพียรของหลัแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดก็ขอให้มีสติ ตดจ่ออยู่กับไม้กวาดหรืออาการเคลื่อนไหวของตนนี่คือผู้บำรุงสติผู้ประกอบความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเวลาสติและความเพียรเหล่านี้เองจะกลายเป็นความเพียรที่มีกําลังและสติที่แก่กล้าและจนกระทั่งสามารถเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เพราะการฝึกหัด รู้สึกตัวและนึกคิดไตร่ตรองในเรื่องเหตุผลทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งข้างนอกข้งใน ก, ก็เพื่อจะแก้จิตใจดวงนี้ดวงเดียรขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ทุกๆอาการอย่าให้เป็นโมฆะในความเปลี่ยนของตัให้มีความตั้งใจเสมออย่าเห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อย ผู้เห็นพบชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้นั้นและจะเพ็นผู้ได้รับความทุกข์ลำบากเพราะพบชาติเป็นของเล็กน้อยนั้นตลอดกับกันไม่มีจินสุดพบชาติคือเรื่องของเราคุกจะไม่ใช่เรื่องของเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นเลยเป็นเรื่องของเราผู้เดียวขอให้แก้ปมนี้ให้ได้ ปมที่ไม่รู้สึกตัวเองปมนี้เป็นปมที่หนาแน่นที่สุดในไตรโลกธาตุนี้จะมีอยู่ปมเดือบเป็นผู้เกี่ยวข้องถ้าปมนี้ยังไม่ได้แตกกระจายไปเสียมือไหนเรื่องของภบชาติจะเป็นเรื่องของคนนั้นโดยตรงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย นี่เป็นองค์การของพบชาติทั้งหลายคือหัวใจดงนี้ขอจงทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นของตนพบชาติของตนความทุกข์ความลำบากทรมานของตนเหยียบย่ำตนอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์จะไม่อยู่ที่ตรงไหนทางถนนจะกว้างจะแคบยืดยาวที่ทำไว เรื่องของทุกจะไม่ไปก้าวเดินในสถานที่เหล่านั้นในถนนหุนทางเหล่านั้นมานเรือนตึกทางร้านตลาดทาไม่กว้างแคบสูงต่ากี่ชั้นเรื่องของทุกขจะไม่เที่ยวเดินหรือเที่ยวอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นแต่จะมาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของสัตว์และบุคคลท่องเที่ยวเทินเดินไปมาอยู่แถวบริเวณเหล่านี้เท่านั้น แล้วเราจะเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้นอกจากเรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าเหตุตัวการเป็นเรื่องเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงในตัวเองแล้วเกิดทุกข์เผาหล่นตัเองเท่านั้นจะไม่มีวัตตะที่ไหน ใ, นในใจโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าวัตตะของใจซึ่งเป็นประอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งหลายและจะเป็นไปอีกตลอดกับตลดกันจะไม่นอกจากหัวใจดวงนี้เลย เพราะฉะนั้นบรรณาพระพุทธเจ้ศศาทุกๆพระองค์ก่อนสาวกของพระพทุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนผู้ที่ได้ทบุบทอยปมอันสำคัญคือปมแห่งวัฏจักรได้แก่กิตวิชาดงนี้ให้แตกกระเด็นไปจากจิตใจแล้วจึงปรากฏเป็นผู้ประเสริฐของโลกอย่างสมบูรณ์ เช่นพุทธังสนางคฉ า, ามิโลกทั้งหลายกราบอย่างสนิทติดใจทำมังสนางคฉ า, ามิทำที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นจากจิตในขณะที่ปมของมัตตนั้นแตกไปกด็ดีโลกได้กราบอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายชังคังสนางคฉ า, ามิผู้ทุบต่อยมุวัตจักนี้ให้แตกกระเด็นออกจากใจ จึงเป็นสังขังแน่นค้าถามอันสมบูรณ์ของโลกสรุปความแล้วเรียกว่าไรรัตทรัยรัตรรเท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของโลกนี่คือผู้ทุบต่อยวัฏจักรให้แตกจากจิตใจหมดร่องรอยที่จะไปจะมาที่จะเหยียบทุกจะมาเหยียบย่ำอีกเป็นไปไม่ได้แล้วนี่คือผู้หมดวัฏะัจริงๆ ผู้นี้เป็นผู้ไม่เกิดจริงๆผู้นี้เป็นผู้ศูญจากความเกิดจริงๆไม่ได้ศูนย์จากความเกิดเพียงคําพูดเหมือนอย่างเราทั้งหลายที่พูดกันอยู่แต่ความเกิดเต็มตัวอยู่กับผู้พูดทั้งทั้ๆ ท, ท, ท, ที่พูดอยู่นั้นเอง<น>พุทธะหรือสังฆะเหล่านี้เป็นผู้ปฏิเสธในความเป็นเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่นี้คำวมาศูนย์ศูนย์อย่างนี้ทันศูญริจ ในเรื่องความเกิดศูนย์จริงในเรื่องความทุกข์ศูนย์จริงในเรื่องมัตตะที่จะหมุนเยยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาตามที่เป็นมานั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าและสาวกอรหานทั้งหลายต่อไปอีกแนวนี่คือผู้ประเสริฐเพราะการทุบต่อยปมของมัตตจัก อันเป็นปมที่หนาแน่นที่สุดไม่มีสิในใดจะหนาแน่นยิ่งกว่าปมของวัตจักอันนี้ที่จะสั่งสมตัวไว้จนไม่มีอะไรสามารถจะทุกต่อยให้แตกกระเด็นไปได้นอกจากเรื่องคุณงามความดีที่ผู้มีความมุ่งหวังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญให้เป็นไปในกายวาจาใจของตนเท่านั้นวัตะดวงนี้จะ กลัวสำหรับบุคคลผู้เช่นนี้เท่านั้นนอกจากนั้นมัตตจะไม่กลัวยิ่งผู้ที่พูดว่าตายแล้วศูนย์นั่นยิ่งจะเป็นเหตุส่งเสริมมัตต์ให้มีกํหลังและยิ้มอยู่ตลอดเวลาว่าผู้นี้เองจะเป็น ทรัฐานที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเราเป็นห้องน้ำห้องส่วมของเราไ้ถลายรถเยี่ยวรถทุกอย่างเราจะได้ลดลงในสัตว์และบุคคลผุนิเวลานี้เราทุกทุกท่านได้มุ่งหน้ามาอย่างเต็มใจเพื่อประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเอง จงเห็นความเคลื่อนไหวทุกๆประโยคที่เป็นไปจากตนว่าเป็นของสำคัญให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาพินิจพิจารณาในกิจการที่ตนกระทำและความเคลื่อนไหวที่เป็นไปจากตนอยู่เสมอเรื่องของสติเป็นเรื่องที่จะสั่งสมหรือบำรุงให้มีกำลังได้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกัน จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมทีเล็กทีเน้อยความชำนานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่จะชำนานได้เพราะความทำดีเสมอจนกลายเป็นความกินขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าความชำนานขึ้นมาได้ขอให้พิมิตพิเตอร์นให้ดีในเรื่องวัตถุกที่มีอยู่ในใจของพวกเรา จิตเป็นสิ่งที่เคยต่อตนเองในเรื่องจกสังสมสิ่งที่เป็นคาาศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นนอกจากสติกับปัญญาสัมปยุทธ์เข้าเป็นความเขียนแล้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตดวงที่ผูกวิเศษหลอกลวงหรือหุ่มหัวไว้นี้ให้กลายขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิพุทโธได้ ขอให้พากันไปนิดพี่แกนนะพายในตัวเสมอวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาวิธีนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องิริยาอาการใดที่แสดงออกจากจิตใจหรือการกระทําทางกายและพูดทางวาจาเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์สังสมกิเลศ โปรดได้ทราบว่านั่นคือทางของกิเลสมาตัต์ไม่ใช่ทางวิบัติคือทางของพันิพาตแม้จะไม่มีแบบแผนประกาศไว้กว็ต า, ามโปรดทราบทันทีว่านั่นคือทางผิดตามลักษณะตัดสินธรรมิ น, นเราเป็นผู้จะนําลักษณะแห่งการตัดสินธรรมิ น, นมาไว้ที่หัวใจของเราเราจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเราว่าถูกหรือผิดได้อย่างไรเราต้องทราบเมื่อเป็นผู้ หนักในเหตุผลและหนักในการพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของตน อ, อยู่เสมเอเลยเรื่องผิดเรื่องถูกต้องแสดงขึ้นที่นี่และต้องทราบกันที่นี่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ในสถานที่แห่งเดียวนี้จะกลายเป็นผู้ร่มเย็นขึ้นมาการบังคับจิตใจต่อความเพียนอยากถือเป็นของลำบาก ให้ถือเป็นหน้าที่และจิตจำเป็นสำหรับตนเอินอยู่ทุกขณะไม่เคยทราบว่าผู้มีความเพียรกล้าเพราะอำนาจแห่งการรักษาสติการแค่เคียงด้วยปัญญาหรือการกดขี่บังคับจิตใจของตนได้มีการแตกสลายตายไปนอกจากจะเกิดโรคภัย ให้เก็บตามธรรมดาสามัญของโลกที่ปรากฏมาอยู่ประจำเท่านั้นไม่มีทางองื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระถาโคตจึงไม่กลัวตายเพราะความเพียรกล้าธรรมกล้าในสถานที่นี้หมายถึงกล้าในเรื่องถอดถอนกิเลสไม่ใช่กล้าเอาเฉยๆเรื่องของสติกับตัวเราที่เคลื่อนไหวนั้น ขอให้ติดกันเป็นพืชย่าเข้าใจว่าจะเป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้เพราะความเพียรพาให้เป็นไปจิตใจที่มีกิเลสเป็นพืชอยู่ตลอดเวลานี้ก็ต้องเป็นมาด้วยวิธีเดียวกัน ความสงบของใจเป็นภาคพื้นที่จะทำความแยบคายในทางปัญญาให้เกิดตรงทำความหนักแน่นในความสงบของตนการทำความหนักแน่นในความสงบนั้นคือการตั้งจิตด้วยสติจะเกี่ยวกับบทธรรมบทใดขอให้เป็นไปในบทธรรมบทนั้นจริงๆเช่นกำหนดลมหายใจ ให้รู้สึกในลมหายใจของตนจริงๆจะเขา้าดูความละเอียดขนาดไหนสำหับลมก็ให้รู้เรื่องกันจนปรากฏวันลมหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือมีธรรมชาติความรู้อันเดียวเท่านั้นก็ให้ทราบชัดที่ใจของตนคู่จิบริกรรมในธรรมบทใดก็ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความสงบแล้วเราจะมาหาได้ที่ไหนนอกจากในกรอบของสติและบทธรรมนี้เท่านั้น เป็นรมประกันความสงบเรื่องของปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการพาักให้ควนที่นิดพิ่แย่นาวันนะเล็กวันนั้นน้อยและจะเป็นความเคยกินต่อตอนเองขึ้นมาเช่นเดียวกับลักษณะการตั้งสติและความสงบที่เคยปรากฏขึ้นอยากเข้าใจว่าเราจะโง่ อ, อยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของความเพียนนี้ แต่โปรดได้ทราบว่าเพราะความเทียนนี้เองจะทำเราให้มีความฉลาดรอบตัวเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านใช่เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันขึ้นมาทันทีหาเป็นเช่นนั้นใหม่เป็นขึ้นมาจากวิธีการที่อบรมแล้วอบรมเล่าทาติดต่อกันอยู่เสมอก็กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมา ลักษณะของสติกับปัญญาและความสงบร้องใจความเอียดรายของใจก็มีเช่นเดียวกันขอให้พยายามสนใจต่อความรู้สึกของตวเราอย่าไปสงใจสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสโลกกว้างแคบลึกตื้นอยากระเอียดใกล้ไกลที่ไหนนอกจากตัวโลกที่กล่าวแล้วมง จงสนใจในความรู้สึกหรือธรรมชาติอันนี้ให้จงหลีแล้วจะเห็นความเปลี่ยนสภาพของใจเป็นลําดับไปความเปลี่ยนสภาพของปัญญาที่มีความเน่าพายต่อตัวเองและความเปลี่ยนสภาพของสติที่ขาดว่าขาดตอนกลายเป็นสติที่ติดกันเป็นพืชและกลมเกลียวกันกับปัญญาไปในตัวของเราเรื่องของจิตเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดครอบความบำรุงอยู่เสมอแล้วจะ คล้ายกับว่าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันพอความรู้สึกถึงไหนสติกัญญาจะต้องไปพร้อมๆกันนี่เรื่องการอบรมให้มีความเคยชินต่อตัวเองต้องเป็นเช่นนี้เรื่องของกิเลสตัณหามันมีที่ไหนจะสั่งสมขึ้นมาได้นอกจากเรื่องความหลงเท่านั้นความโง่เท่านั้นจะสั่งสมกิเลสขึ้นมาความฉล า, าดมีทางเดียวที่จะแก้กิเลสเพราะนั้นจงพยายามสั่งสมความฉล า, าดขึ้นมาเพื่อเป็น กำลังต้านฐานด้วยแก้ไขกิเลสอันเป็นความโง่ของตนเองให้สิ้นไปจากไกจจะกลายเป็นความที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องมัฏจักรที่เคยหมุนตัวเองอยู่นั้นและที่เราเคยสงสัยในเรื่องตัวของเราว่าเป็นอะไรมั่งเป็นวัฏจักรไปถึงไหนมั่งจะมาที่ไหนมั่งและจะเป็นไปอีกที่ไหนมั่งนั้นจะหมดปัญหาเพราะอำนาจแห่งความฉลาดรอบตัวซึ่งเกิดขึ้นมาจากการบรรุนมนสติปัญญาเป็นของสําคัญ งตองพากันตั้งใจวันนี้รู้สึกเหน่ยอยจึงขอยุติกธรรมเทศนาเพียงตอนนี้ขอความสวัส ด, ดีมครรงคลตุ่มิท่านทุกต่อนโดยทนหนากันเธอ